ที่ให้คณะตถาญาตาโยมได้ฟังให้เข้าใจในธรรมจุดนั้นนเพราะนั้นการที่จะแสดงธรรมจะออกมาจากความรู้สึกนึกคิดที่กันกรองโดยความเสียพรันเสียพรันพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นการที่จะมีผู้มาทำเสียสมาธิเสียสมาธิในการฟัง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 ไม่ได้ใส่ใจอะไรเหมือนกับว่าโทรศัพท์สลรรังคดฉามิลักษณะอย่างนั้นหละไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการฟังธรรมมาสู่จุดนี้เราต้องฟังฟังหาเหตุหาผลผลมีเหตุผลจริงไหมเป็นยังไงฮะสิ่งเหล่านี้เราต้องฟังนะรัฐ า, า, ายาติโยมลูกหลานทุกคนน ะ, ะตอนนี้หลวงอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นในะนัฐนิเนนะ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 มาทำบุญตักบาตรเนี่ยโยมทองใบก็คนหนึ่งที่หลวงพ่อรู้จักจากนั่นก็อท่านก็ไปทำบุญโดยมากก็ไปหลวงปู่บุญมีหลวงปู่เพียรแต่ว่าท่านก็ได้ลูกชายขึ้นมาอาจารย์หมอรุ่งเรืองท่านก็ได้ลูกชายเป็นหมอท่านก็ไ่ไปดูแลหลวงปู่บุญมีหลวงปู่เพียร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 แล้วก็อาจารย์หมอลวเดกเป็นผู้ดูแลรักษาองค์หลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้ความสำคัญผู้ที่ดูแลองค์หลวงตาและก็พร้อมกันไข้ไข้ดูแลหลวงปู่เป็นมีหลวงปู่เพียรด้วยแต่หลวงพ่อไม่ค่อยด้เข้าไปนานๆแต่ที่ยังไงหลวงพ่ออาศัยหมอทาง่น้แต่ตามปกตินิสัยหลวงพ่อกับเรื่องหมอแล้วก็ถ้ามันจาเป็นจริงหลวงพ่อจะไม่เข้าไปหาหมอนะ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 หาว่าใครชอบขโมยของคนอื่นเขาก็ไม่เคารพในของใช้ของตนเองเขาก็มาขโมยในสิ่งของทั้งที่รองเท้าจอดเป็นทิ้งเกิดขึ้นมาเป็นไม่รู้เท่าไหร่แต่ของเราหายทั้งที่ของเราก็เป็นของเก่าอีกต่างหากเนีมันแปลกมันกันใชนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้สงสีนของเราของเราผมได้ทําไว้ในอดีตในชาติ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 ผิดศีลข้อที่ห้าเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะศีลพระพทุทธเจ้าเป็นศีลคุ้มครองโลกคุ้มครองในปัจจุบันปุญญาเนี่ปัละโล ก, กัตสมิงปฏิฐาโหรติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัรพสัตสัพพสัตทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ถ้าเป็นผู้มีบุญอนิสงศีลอั น, นิสง์สนนสงทานมาคุ้มครองเราก็อยู่อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพื่ออะไรเพราะศีล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 ให้พวอเราศึกษาในรายละเอียดในข้อธรรมะเลขิตของท่านพวกเราจะนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปุกกายวาจาใจของเราได้เป็นอย่างดีนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะสินข้อที่ห้านี่หลวงพ่อเน้นหนัก เ, เน้นหนักสินข้อที่ห้าสุราเมรยามัชณชาการดื่มสุราและเมลยัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราหรือเมลยัย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 กล่าวหน้าโมสามจบข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวหน้าโมเสร็จแล้วก็จะว่าพุทธังทำมังสังขังสรณนังคัจฉามิก็ได้นะจากนั้นถ้าเราได้มากเราก็ท่องไปงก็ได้นะถ้าไม่ได้มากเราก็แผ่เมตตาเลยผ่าแผ่เมตตาอย่างรวบรัดนั่งปโนมืดใจนิ่งๆแล้วก็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 เป็นอันใชเมอร์ใดง่ายๆแต่ถ้าว่าเราอ่านหนังสือพออ่านเสร็จแล้วนะเราทบทวนว่าที่ข้าวไปเจ้าอ่านมานี่เนะี่ยอ่านเรื่องอะไรเอแล้วก็ทบทวนว่าอ่านเรื่องอะไรที่อ่านมาเนี่ยสามสิบนาทีนะเนี่ยเราได้อ่านมาเนี่ยมีข้อความอะไรเราทบทวนอันนี้คือการออกกําลังสมองแล้วว่าการออกกําลังความจําของตนเองแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ออกกําลังแล้วว่าไม่ตั้งความจําไว้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 ดำลงแต่ถึงยังไงก็ตามชีวิตต้องมีจุดจบอย่างที่วานชีวิตของเราพวกเราอาศัยธาตุสี่นะอย่างคุณแม่ของเราคุณแม่ทองใบของเราเนี่ยท่านอาศัยพวกเราอาศัยธาตุสี่เหมือนกันนะธาตุสี่คื อ, คอดินน้ำลมไฟอาศัยพญาจิตรราชสืตัวพวกรู้เนี่ยอาศัยดินน้ำลมไฟปัตวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้า วาโยธาคือธาตุลมเตโชธาตุคือธาตธาธาุไฟอยู่ในร่างกายของเราธาตุดินคืออะไรคือธาตุดินคือกระดูกที่เป็นของแข็งอย่างเส้นผมเนี่ยกระดูกแนะี้เออหรือเนื้ออย่างเนี้ยเออว่าเป็นกระดูกธาตุดินธาตุน้ำคืออะไรคือปัสสวะคือเลือดเอออย่างนี้แหล ะ, ะคือธาตุน้ำ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 อ, อมีความร่มเย็นเป็นสุกขนี่แหละอันนีค้คือการเกิดของมนุษย์ชาติแต่ถ้าเราทำกรรมทาบาปนะสิได้เมื่อทําบาปบาปเป็นเพื่อนสองพอเราตายไปแล้วบาปเป็นเพื่อนสองบาปก็เป็นเพื่อนพาไปแนละ้วจะไปตกนรกหลุมไหนก่อนวะมันบาปหนักลเลยวะจากนั้นก็ไปออกจากนรกก็มาเป็นเปรตออกจากเป็นเปรตกม็มาเป็นสัตว์ที่รชาต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 และเขาปฏิบัติตามแนวแถวของพุทธธรรมคําสอนขององค์หลวงตาหลวงพ่อมั่นใจว่าคุณแม่ของเราต้องไปสู่สุขสติไปทางที่ดีนะแล้วก็ในการกล่าวในวันนี้ที่ว่าหลวงพ่อขึ้นต้นว่าพุทธภาสิทธิที่ต้นว่ามรณงเมพวิสติพวกเราเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัย